อนมะตะคะสั่งยุตประมวลเรื่องสังสารวัตรว่ากำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้มีด้วยกันทั้งหมดสิบสูตรสั้นๆเนื้อหาคล้ายกันแต่ละสูตรก็สนับสนุนและอธิบายกันเองเพื่อให้แจ่มแจ้งขึ้นขอยกตัวอย่างสูตรเดียวปุคละสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังสารวัตนี้ยาวนานจนไม่รู้ได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารกำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้และตรัสว wow ่าตราบใดที่ยังไม่รู้อริยสัจต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ตราบนั้นเมื่อบุคคลใดเห็นอริยสัจคือทุกเหตุเกิดแห่งทุกความดับทุกและอริยมรรคมีองค์8ดทางดับทุกด้วยปัญญาอันชอบ เขาจะท่องเที่ยวในสังสารวัติอย่างมากเจ็ดรั้งคือเกิดอีกเจ็ดชาติก็จะทำที่สุดทุกได้เพราะสิ้นใหญ่สังโยชน์ทั้งปวงกัสปะสังยุตประมวลเรื่องพระมาหากัสปะว่าด้วยพระพุทธดำรัสที่ตรัสชมปฏิปทาพระเทระรูปนี้ส่งแนะนำให้พระสงฆ์เอาแบบอย่างเช่น สันโดษความไม่คลุกคลีกับข้ารือหัดรวมถึงข้อเสนอของพระมหากัสสปะเพื่อให้พระผู้มีพระภาคเจ้าปรับปรุงวัดปฏิบัติของพระสาวกทั้งหลายขอยกมาบาังสูตรหนึ่งจันทูปมาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสาวกว่าพระมหากัสสปะเปรียบระดุษดวงจันทร์ อาจหมายถึงผุดพองด้วยศีลดังแสงจันทร์นวลใหญ่ก็ได้เวลาเข้าไปยังสกุลทั้งหลายระวังจิตทำดังหนึ่งว่าเป็นผู้ใหญ่ต่อสกุลไม่ขนองกายวาจากสปะไม่ยึดติดพัวพันธ์ในสกุลเหมือนแกว่งมือไปในอากาศมือไม่ติดอากาศฉะนั้นพระมาหากสปะเป็นยอดพระธรรมกะถึก ที่แสดงธรรมอาศัยความกรุณาอนุเคราะห์อยากให้ผู้อื่นเข้าใจธรรมไม่หวังอามิตรไม่หวังศรัทธาจากผู้ฟังสองโอวาทสูตรพระมหากัสสปะเห็นพระสองรูปท้ากันว่าใครจะเป็นพระหูสูตรมากกว่ากันจะกล่าวธรรมะได้มากและได้นานกว่ากัน เห็นว่าเป็นการแข่งดีมีทิฏฐิยึดมั่นที่ไม่สมควรจึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระสองรูปมาตักเตือนว่าพวกเธอได้รู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ตรัสไว้แล้วหรือจึงกล้ามาท้ากันกล่าวธรรมเช่นนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียนรู้มากๆแล้วเอามาอวดกันเป็นเรื่องของการนำมาปฏิบัติ เพื่อพ้นทุกข์มากกว่า 3. สัมสธรรมะปฏิรูปะกะสูตรพระมหากัสสปะทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อก่อนสิกขาบทมีน้อยมีพระอระหันต์มากแต่เดี๋ยวนี้สิกขาบทมากทำไมผู้สำเร็จอรหันจึงมีน้อยพระพุทธเจ้าตรัสว่า เพราะหมูสัตว์เลวลงพระสัตยธรรมกำลังเลือนหายไปสิกขาบทจึงมีมากขึ้นมีพระอระหันน้อยลงสัตยธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นที่ใดพระธรรมก็เลือนหายไปเมื่อ น, นั้นทองเ ก, เกิดขึ้นเมื่อใดทองแท้ก็หายไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าดินน้ำลมไฟ ทำให้พระสัตธำเลือนหายไปไม่ได้มีแต่โมฆบุรุษในพระศาสนานี้เท่านั้นที่เกิดมาทําให้พระสัตธมเลือนหายไปเหมือนเรือจมเพราะต้นหนไม่ดีสาเหตุสำคัญที่ทําให้พระสัตธรรมเสื่อมมีห้าประการคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่เคารพศาสดาพระธรรมพระสงฆ์ศิกขาและสมาธิ ลาภส ก, การะสั่งยุติประมวลเรื่องลาภส ก, การะชีวาลาภส ก, การะทำให้คนเสียคนโดยเฉพาะพระภิกษุจึงไม่ควรปล่อยให้ลาภส ก, การะครอบงำมีการเปรียบเทียบพระภิกษุที่มัวเมาในเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคำคมคายน่าฟังมากเช่นเปรียบผู้ติดลาภส ก, การะเหมือนเต่าถูกมัดเหมือนแกะถูกน้ำเกี่ยว เหมือนถูกยิงด้วยลูกศรขอยกมาสักสองสูตรหนึ่งเอละกะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่ า, มาแมลงฉู๋ชีกินขี้จนเต็มท้องข้างหน้ามันยังมีขี้ก้อนใหญ่มันอวดเพื่อนๆว่ากินจนเต็มท้องแล้วยังมีขี้กองใหญ่ข้างหน้าอีกเห็นไหมพระบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เช่นกัน ร่ำรวยอาหารบินธบาาตีวรเสนาส น, นะและคีฬลานเภสัชกล่าวโอ้อวดเพื่อนพรมจรรย์อื่นๆและดูหมิ่นท่านเหล่านั้นว่ามีบุญน้อยมีศักดิน้อยสู้ตนไม่ได้ดูหมิ่นกระทั่งผู้ทรงศีลเป็นที่รักสองสิคาละกะสูตรหมาขี้เรื้อนแก่ตัวหนึ่ง อยู่บนบกก็ไม่สบายอยู่คนต้นไม้ก็ไม่สบายอยู่กลางแจ้งก็ไม่สบายจะยืนเดินนั่งนอนก็คันยุบยิบไปหมดไม่ต่างอะไรกับภิกสุบางรูปถูกลาบสักการะและชื่อเสียงครอบงำอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายเช่นกันราหุลสังยุตประมวลเรื่องพระราหุล สูตรที่แสดงธรรมะสำคัญสำคัญแก่พระราหุลมีอยู่ในทีฆะนิกายแล้วที่ประมวลในสังยุทธ์นี้เป็นเพียงสูตรสั้นยี่สิบสูตรพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระราหุลเรื่องจักสุขรูปวิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาเจตนาตัณหาและขันเป็นต้นให้มองเห็นว่าแต่ละอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอย่างไร ลักขณะสังยุตประมวลเรื่องเกี่ยวกับพระลักขณะผู้เป็นปัจฉาสมณะของพระมหาโมคลานะคือเป็นผู้ติดตามท่านทั้งสองรูปไปที่ไหนพระมหาโมคลานะจะเห็นสิ่งที่พระลักขณะไม่เห็นพระมหาโมคลานะจะยิ้มนิดนิดพระลักขณะถามท่านถึงสาเหตุที่ยิ้มท่านขอให้ไปถามต่อพระภักพระพุทธเจ้าทั้งนี้ เพื่อจะได้มีพยานยืนยันในสิ่งที่ท่านเห็นสิ่งที่พระมหาโมคลานะเห็นก็คือเปรตชนิดต่างๆเมื่อเราถวายพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ตรัสบอกบุพกรรมของเปรตเหล่านั้นด้วยอมปะมะสั่งยุต์ประมูลเรื่องเปรียบเทียบสอนธรรมะโดยยกอุปมาอุปไมเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย เช่นเปรียบอายุสังขารสิ้นไปเร็วกว่าคนวิ่งเร็วกว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์เร็วกว่าเทวดาเหาเป็นต้น